หลวงพ่อประโมทอาตมาเนี่เรียนธรรมะกับท่านนะหลวงพ่อประโมทเนี่ยจะสรุปเป็นประโยคสั้นๆสำหรับนักปฏิบัติว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุดเลยที่จะเกิดปัญญาก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางประโยคนี้นะท่องเอาไว้ก็ได้จำได้ไหมมีสติ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 รู้ที่ไหนรู้ที่กายและใจเท่านั้นเท่านั้นด้วยกายใจไหนใจกายใจเนี่ยจีของแต่ละคนไปนะกายใจเนี้ยที่เป็นเราเนี้ยทำไมต้องเรียนที่กายใจนี้เพราะกายและใจนี้ก็คือตัวปัญหาที่เราทุกข์ก็เพราะทุกข์เพราะกายใจนี้ทุกกายบ้างทุกใจบ้า ง, ท, างที่สำคัญคือทุกใจนะถ้าเป็นกายอื่นใจอื่นยิ่งห่างจากความเป็นเราเท่าไหร่ไม่ทุกข์ ใช่ไหมเขาฆ่าตัดหัวอยู่ที่ซีเรียทุกไหมเห็นแล้วก็อาจจะสลดใจแต่ไม่ใช่ญาติเราใช่ไหมแต่คนอเมริกันอาจจะทุกเพราะว่าคนรู้สึกมีความเป็นเป็นตัวตนมีมีส่วนร่วมกันคนมุสลิมอาจจะสะใจมีความมีความเป็นตัวตนอีกแบบหนึ่งสะใจแต่เราไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เฉย แผ่นดินไหวที่เสฉวนทุกไหมไม่ทุกไม่ใช่บ้านเราใช่มถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยเราสึกจะเป็นทุกข์ละ <laughs> แต่คนเสฉวนก็จะไม่ทุกข์ <c oughs> อะไรที่มันใกล้ตัวเราเนั่นแหละทุก <c oughs> แม่เราป่วยจกทุกมากขึ้นใช่ไหมตัวเราป่วยทุกมากขึ้นอะไรที่มันมาสัมผัสความเป็นเรายิ่งมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งทุกข์มากขนาดนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนก็คือ เรียนลงมาในกายแน่ใจที่เป็นเราที่เราเข้าใจผิดว่าเป็นเราต้องมีคํานี้นะที่เราเข้าใจผิดว่าเป็นเราเรียนไปแล้วเนี่ยจะเข้าใจถูกว่าไม่ใช่เรามีคําเฉลย ER ไปแล้วด้วยนะมีคําเฉลย ER ล่วงหน้าไปแล้วด้วยข้อสอบเนี่ง่ายเพราะว่ามีคําเฉลย ER ไว้แล้วแต่ตัวคําเฉลย ER เนี่ยไม่ใช่ลอกข้อสอบไม่ใช่คอลอกข้อสอบด้วยความจําทางสมอง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเห็นเอากายและใจนี่ต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดกายที่กำลังนั่งอยู่นี่ต้องคิดไหมถึงจะรู้เดี๋ยวเอา ม, ามือทุกคนยกมือขึ้นมามือขวาควายแ้งข้างหลังกำมือเอาเนิ้วชี้ออกมาทำเป็นกลางชี้นิ้วอยู่ข้างหลังรู้ไหมรู้ตัวไหมต้องนึกไหม ตอนที่อาตมาสั่งเนี่ยต้องนึกแต่ว่าตอนรู้ตัวว่ามันกําลังทํางานอยู่ต้องนึกไม่ต้องนึกใช่ไหมรู้ได้อะมือมากลับมายิ้มทุกคนยิ้มยิ้มเหมือนหวานเหมือนน่าเดทกําลังโอ้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ไลเซนต์แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ต้องรู้ต้องใช้ตาดูไหมต้องคิดไหมว่าปากกําลังยิ้มอยู่ <c oughs> ต้องคิดไหม ยิ้มเนี่ยยิ้มคนยิ้มแยะๆตอนยิ้มแล้วรู้ตัวเนี่ยนะเห็นรู้สึกว่าปากยิ้มเนี่ยนะไม่ต้องคิดเลยรู้ได้ทันทีว่าปากกาลังยิ้มอยู่ไม่ต้องใช้ตาดูด้วยใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกถ้าถ้าต้องใช้ตาดูเนี่ยนะปากต้องยื่นมาประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นโดนันดัก ไม่ต้องไม่ต้องใช้ตาดูไม่ต้องกลัวว่ามองไม่เห็นเพราะใช้รู้สึกเอากายกำลังเป็นยังไงรู้สึกเอาใจกําลังเป็นยังไงก็รู้สึกเอาเหมือนกันใช้ความรู้สึกนะใช้รู้สึกรู้สึกเอาใจกําลังกําลังผ่อนคลายรู้ทันความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นใจกําลังมีโทสะกําลังเครียดรู้ทันความเครียดที่เกิดขึ้นในใจใจกําลังสงสัย ส, สงสัยก็เป็นอาการอย่างหนึ่งใน ใ, นใจรู้ทันความสงสัย ใจกำลังฟุ้งซ่านแจกำลังหดหูรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจรู้สึกรู้สึกเอาไม่ต้องคิดถ้าเริ่มคิดเมื่อไหร่นะมันจะพลิกกลับไปสู่สมถะกรรมฐานอย่างที่บอกแล้วนะมีความโกรธเกิดขึ้นพยายามคิดหาสิ่งดีๆของคนคนนั้นเพื่อดับความโกรธของเราหรือคิดหาโทษของโทสะที่จะมาทาร้ายเราแล้วเราจะได้กลัวแล้วเราจะได้ไม่โกรธ นี่คือคิดคิดเอาแต่ถ้าโกรธขึ้นมารู้ทันว่ามีความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นเนะ่ยเป็นความโกรธเมื่อกี้นี้เพราะตอนรู้ตัวเนี่ยไม่โกรธไอ้ที่โกรธเนะ่ยมันเมื่อกีน้นี้ถ้าดูกายเนี่ยดูได้ตอนนี้เลยทันทีนะกายไม่ได้หนีไปไหนดูได้ทันทีแต่จิตเนี่ยมันเกิดดับทีละขณะจิตดวงหนึ่งนะเกิดขึ้นเสวยอารมณ์แล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้เจตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาสวยอารมณ์แล้วก็ดับไป อย่างนี้นะจิตมันเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆทีละดวงด้วยไม่ได้มาเป็นพวง